ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหั้นแต่หลวงปพิยานกำลังนำเสนอเรื่องพระผู้ดำรับที่สัตว์แก่ตั้งปัญจวัคคีมาถึงช่วงของการขยายนัยยะแห่งคำว่าอภิญญาที่แปลว่าความรู้อนยิ่ง ในข้อต่อไปนั้นสรงใช้คำว่าสัมบูตรยักษ์ที่แปลว่าสัจสรูแล้วก็นิพานายะก็คือนิพานซึ่งจะกล่าวโดยพิสดารในโอกาสต่อไปในช่วงต่อมานั้นก็ส่งเน้นย้ำถึงตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลคือจะคุยานปัญญาจะคุยาน แล้วความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีหรือความดับก็คืออริมัชในองค์แปดประการย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าพระธรรมเทศนาแต่ละสูตรแต่ละบทเนี่ยเราสามารถมองผ่านจากข้อความธรรมะเหล่านั้นไปสู่ผู้ฟังในกรณีนั้นๆได้ ก็มีพื้นฐานวาสนาปรมียิ่งย o อนแตกต่างกันยังไงบ้างบุคคลบางคนก็ไม่น่าเชื่อว่าโดยข้อความสั้นๆเนี่ยกันฟังแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้ล้วก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานวาสนาปริมีของกานในสูงๆงอย่างเช่นราสาริบุตรโมคคลานะ แต่ฟังข re ้าความสั้นๆภาษาริบุตรนั้นฟังจากปราศริชิรมุคารานะรมุคลานะฟังจากภาษาริบุตรแต่ทั้งสองท่านได้บรรลุมรผลเป็นประสดาบันด้วยกันก็ความแบบนั้นที่จริงไม่มีการอธิบายเยงแต่ปราศชิกล่าวว่า ธรรมะหลายเกิดแต่เหตุตระธคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นก็มาสมณะมีปกติสัตว์อย่างนี้โดยเพราะความเพียงเท่า น, นี้พระสารีบุตรฟังแล้วบรรลุมรรคผลเป็นไปสุดระดัะบหรืออย่างพระโมคคะระพระเจ้าทรงแสดงวัตถุ ก, กรโมคคระเธจ้จงมองโลกนี้เป็นของว่าง แล้วถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวตนออกไปมัทราดก็จะตามไม่ทันก็คือจะหลุดพ้นจากความตายได้แก่บรรลุมรรคผลที่ผ่านก็แสดงว่าสอนเรื่องสุญญตาอยู่คำเดียวแต่ตานก็ทลุผุโปร่งหายไปเลยคือบรรลุมรรคผลเป็นพระหันั่ได้ ตอนพอมันดูพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกแล้วก็แสดงแกตันปันยวคีเนี่ยเราก็มองธรรมะผ่านไปสู่ตันปันยวคีได้ว่าไม่ใช่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระกนทัญยัเพราะว่านายาของอริมักดวงแปดประการนั้นที่จริงเป็นนัยยะที่วิจิตรยสดานที่สุดในกลุ่มคําสอน คอกลุ่มทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยฮะคือกลุ่มมรรคเนี่ยจะเป็นกลุ่มคําสอนที่พิสดารมาเราะจะต้องสามารถขจัดกิเลสคือกลุ่มสมุทัยเนี่ยออกไปได้ในแต่ละระดับเลยก็กลายเป็นปริยายธรรมะที่ลึกซึ้งหลากหลายแต่วอาคงแสดงแก่ท่านปัญญวคีก็ทรงแสดงโดยสรุปไม่อธาาิบาย มอธิบายว่าสมารถิติคืออะไรสมารถศักะปะคืออะไรเพราะแต่ละข้อนี่มันย่ยอยออกไปได้เยอะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมารถิตินี่มันคุมหมดคุมคามสอนไว้ทั้งหมดเพราะในที่นี้ก็จะนำเสนอที่ก็ค่อนข้างพิสดารหน่อย โดยเฉพาะในกรณีอของสัมมาทิฏฐินี่ยเป็นเรื่องใหญ่ข้อความที่สงใัยนั้นที่จริงก็สั้นๆนะฮะทงใัยคําว่าปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อรมิมัตมีองค์แปดนี้แหละคือปัญญาหนีชอบความนิยมชอบวาจาชอบการงามชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบตั้งสติชอบแล้วก็ตั้งจิตชอบก็จบ ในสมาธิิเนี่ยเราอย่าลืมว่าโลกเนี่ยจริงๆมันเป็นความจริงอยู่สองด้านคือด้านมือกับด้านสวาน่างเราสาวเป็นลึกตั้งแต่มนุษย์ยุคดึกดําบรรพ์ความคิดกามาจะสองกระแสนะคือกระแสของอวิชากับกระแสของวิชากระแสของอวิชานั้นจะไม่มีความชัดเจน มันจะมีจุดบอดจุดบกพร่องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเสเมอแล้วก็ส่วนมากก็จะหลายๆจุดแล้วก็พวกเราเนี้ออกมาในเส้นทางต่างๆกลายเป็นเรื่องดวงสูงอ้อนรอนขอร้องการประสิทธิ์ประสาทจะสิ่งต่างๆผลเพ้อพิริพิไรแล้วก็กลายเป็นคุณสายออกมาในรูปของสายดํา แตยดำที่จริงก็เป็นเรื่องอาการของอวิชชาอาการของโมหะนั้นไม่มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ออกมาอย่างนีน้แต่พวกนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มันเริ่มต้นแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ก็เดินไปจนถึงมิชฉาวิมุตติคือหลุด พ, พ้นผิดมีสายหนึ่งมันก็สายสวา่าง ก็เรียกกลางคืนในรลางวันนะเทีเยบแล้วกลางคืนในรลางวันคือมืดกว่สว่างในความคิดจะไม่สมบูรณ์แต่มันก็สว่างพอสมควรในกรณีที่ออกมาเป็นศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นสายขาวสายสายขาวเหล่านี้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันก็เสสะมาธิฏิที่มีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลําดับ แล้วก็จนถึงจุดสมบูรณ์นะฮะเป็นสมาปมริมุติทิศนิทางทั้งสองเนี่ยที่จริงมันไม่ประกวดร่วมกันตำนองทางซ้ายกับทางขวาเคยไปทางไหนก็ไปทางนั้นคือไปทีเดียวสองทางไม่ได้แต่ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาไยขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายเพราะเมื่อ เ, เราเดินบนเส้นทางสมาธิมันก็จะไม่มีมิจฉาทิจฉะ แต่ไม่ใช่ไม่มีนะะคืออาจจะมีในบางจุดเพราะว่าสมาธิฐิที่เป็นแสงสว่างมันไม่ใช่สว่างรวดวเดียวไปหมดแต่สมาธิฏฐิในองค์มรรคมันสว่างหมดมันก็กระจาอาวิชชาได้หมดแต่สมาธิฐิที่อยู่ในกรอบของอริมรรคนั่นแหละแต่ไม่ใช่ตัวตัวตัวที่เน้นจริงๆเราอาจจะเรียงเป็นโลกิยะสมาธิฏฐิ กับโลกุตระสมาจิตคือสมาธิระดับที่เราเรียกว่าทำนองคลองธรรมมันไม่มีความละเอียดลึกซึ้งอะไรเท่าไรหรอกแต่สามารถสร้างจิตสานึกมโนธรรมสานึกให้บุคคลคิดบุคคลทำบุคคลพูดอย่างน้อยก็ไม่สร้างปัญหา อย่างแนวความคิดใจเขาใจเราเนี่ยเป็นแนวสมาทิฏิแล้วก็จะอยู่ตัวเองไว้ได้คือไม่สร้างปัญหาแต่บางทีมันก็แนวคิดปะเลิ้ยังมีข่าวเล็กๆในหนังสือพิมพ์เือวนที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เนี่ยยิบสี่มกราคม ก็เป็นการทาภาคของท่านเลขาธิการสภาการศึกษาว่าจะมีการหลอมรวมคำสอนในาศาสน า, ต, าต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังนม่เดืเราความคิดเหล่านี้มาจากไหนคือนักวริจากการเนี่ยบางทีเขาก็ฟุ่งๆูงงมานะฮะเพราะมันอ่านได้หนังสือ แต่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเรื่องการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องการตีความการพูดเอาคือการหลอมรวมเนี่ยปัญหาว่าหลอมรวมอะไรกับอะไรคือจริงก็เละหมดถ้าของคนละชนิดกันออกมาหลอมรวมกันสมมุติว่าเอาอเนี่ยเพชรนินจินาแเก้วเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันก็ตะกลัวเหล็กอะไรๆแต่มารวมเป็นหมดเลย มันทำลายคุณค่าของสิ่งดีนะทีนี้ถ้าเอาดีด้วยกันมาลอมรวมกันในเชิงวัตถุแล้วก็ได้นะฮะในเชิงวัตถุแล้วก็ได้แต่ในเชิงศาสนาที่จริงมันล้อมรวมไม่ได้เพราะเราเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังศรัทธากับพลังของปัญญาศาสนาพวกเรานั้นโดยหลักไม่หาจริงๆแล้วก็ใช้ทั้งศรัทธาทั้งปัญญา จริงๆอ่ะต้องก็เรียกว่าสมังเสมอกันเขาเรศรัทธาสมาปัญญาสมาคือปัญญากับศรัทธาสมังเสมอการประครับประกองกันในศาสนาแนวเทวนิยมนั้นจะใช้ศรัทธาเป็นหลักและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือไม่ใช่เรียนไว้ตอบไม่ใช่เรียนไว้ตอบแต่ว่าเรียนไว้เพื่อปฏิบัติทีนี้การปฏิบัตินี่อย่าลืมว่าการปฏิบัติตามคําสอนนี่เราดูง่ายๆนะ แต่สังคมไม่เคยใช้บทเรียนแต่ท่านเลขาท่านนี้รู้สึกจะเคยอยู่ที่สอวชด้วยซ้าไปนะสำนักวัฒนแห่งชาตินะมันรู้สึกว่าอศทศ2525ใช่ไหมฮะที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเนี่ย มันมีคำตรงนั้นก็มีค่านิยมพื้นฐานห้าประการเกิดขึ้นโดยสวชบริษัทสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติและในขณะเดียวกันก็มีพระบรมราชวัตรสี่ประการของพระบาทสมเด็จพระเ จ, จ้าอยู่หัวก็เยเผออกมาใกล้เคียงกันอาตมาได้รับไปอาราธนาไปเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนานะฮะจริงอภิปราย ที่จังหวัดสระบุรีเราก็ไปเห็นเอกสารก่อนอกว่าค่านิยมพื้นฐานนาะกาเนี่ยคืออะไรแลว้วก็รมราชวาเนี่ยคืออะไรบ้างไปถึงเขาก็แจกให้ที่นั้นคืออ่านแล้วเนี่ยแล้วก็บอกในที่ประชุมทันทีนะบอกว่าให้คอยดูกันแล้วกันเพราะอมราชวาาเนี่ยจะปรากฏแพร่หลายไปในประเทศไทย และก็ยังมีคันการกล่าวอ้างเวลาสอบถามซักถามเนี่ยคนจะรู้ว่ามีข้อความเป็ น, ย, ปนยังไงบ้างแต่ท่านม่ยอมพื้นฐานงาปการเนี่ยจะอันตรธานไปจะไม่มีการยอมรับนักถือนามาประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเลยตั้งปญหาถามมาเปนเพราะอะไรเพราะว่าลืมคำสอนในที่มาของคําสอนเนี่ยจะมีความสําคัญมากปัญหาว่าใครพูดล่ะใครสอนละ่ะ แต่คนพูดไม่เป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาแล้วเขาไม่ถือตามปฏิบัติตามครับเราลองดูเนี่ยทางสือโทรทัศน์ที่เรากล่าคควคําคมคมออกมาทางสือโทรทัศน์เนี่ยคือเราใช้พระพุทธศาสนาสภาวสิทธิ์กับพระบรมราชาวัลยเพราะเรพุทธศาสนา ส, สภาวสิทิ์นั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของพุทธศาสนิกุชนเพราะว่าเป็นของพระพุทธเจ้าประหารทั้งหลาย เรามอาเหว่าเป็นความระ้ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนภายในชาติเราสั่งอะไรมาคำมคมมเนี่ยเอามายกย่องเชิดชูกันได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่านายกรนายขอนายแมวที่ไหนก็ไม่รู้พูดพูดอย่างไงก็ได้แต่ว่าคนจะไม่นำมากล่าวอ้างไม่นำมาชื่นชมไม่นำมาประพฤติปฏิบัติตอเพราะอะาเพราะมันไม่เกิดศรัทธา ไม่เกิดศรัทานในตัวคนเนี่ยเหมืนอนกับหมอคังคบจะมารักษาโรคผิวหนังเนี่ยใครก็ไม่ให้รักษาหรอกเพราะหมอคังคบเองก็ผิวหนังตะปุมตะปามเยอะๆแต่เธอแน่จริงเธอรักษาตัวเธอก่อนเถินั่นคือปัญหาแล้วเป็นเนี่ยแม้แต่มาเองม้อ ย, ยังนึกไม่ออกว่าขั้นนิยมพื้นฐานาประการมันคืออะไรบ้างแต่พระรงราโช ว, วาสยังยังจําได้ทําไมจึงจาได้เพราะว่าพราะบรงราโช ว, วาส 4. ประการน่คือคารวะสธรรมสประการเมื่อปลายเป็นที่มาที่ยิ่งใหญ่สมะพุทธศาสนิกชนคือเป็นประธรมเทศนาของพระเจ้าที่ทรงแสดงแก่คารวะผู้เรียนแล้วก็นำมาสู่สังขยานาโดยพระหันทั้งหลายประกวอยู่ในพระไสยบิดกพระสมฆ์ก็นำมาเทศน์มาสอนมาเรียนกันนับเป็นหางยัตเี แล้วก็นำมาเผยแพ่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายขยายความได้ายรอบมาหนคือฟังวันนั้นเราร่รู้สึกตืดเต้นนะฮะทรงอธิบายได้ได้ดีคือเป็นการผสมภาษาเนื้อหาของธรรมะทั้งสองสามหมวดเข้ามาอยู่ในหมวดเดียวกันตอนพระรราชวาสีประการเนี่ย ในฐานะที่เป็นพรมราชวาดเนี่ยคนทุกศาสนาเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าในแง่ของธรรมะถ้ามองในแง่ของธรรมะมันก็มีสอนกันอยู่ในศาสนานั้นๆแต่เขาปฏิบัติในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ชูวาดก็ได้ในฐานะที่เป็นหลักธรรมในศาสนาก็ได้แต่อย่าลืมว่ามันไปเชื่อมโยงอยู่กับศาสดาของเขาทีนี้ประมาถึงคําสอนเนี่ย คำสอนเราอย่าลืมว่าศาสนามันจะเรียนอ ย, อย่างน้อยในเรยงสามระดับก็คือองค์ศาสดาและตัวคําสอนแล้วก็ศ า, าสนาต้องศาสนาเลยจะเรียงอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าคําสอนเนี่ยสมมติกับพูดเรื่องศรัทธานี่เอาให้พี่เขียนเรื่องศรัทธามาอิสลามเขียนเรื่องศรัทธามาพุทธเขียนเขียนเรื่องศรัทธามาก็ไม่เหมือนกันนะ ความหมายจะไม่เหมือนกันแม้แต่คำจะเหมือนกันทังนี้เป็นเ่าไอะไรเพราะว่ามันไปยึดโยงอยู่กับเราเรียกว่าพระวจนะก็ได้นะพระวจนะของศาสดาตแต่ละองค์เนี่ยแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระคมภีในศาสนานั้นๆทีนี้ศาสนาบางศาสนาเนี่ยไปแตะต้องคำภีเขาไม่ได้ต่กาวบิดเบือนคำภีอะไรแต่ไหนไระแม่คุณอธิบายยังไง นสมมูรณ์คุณจะอธิบายศัทธาในลักษณะลลอมรวมเนี่ยอธิบายยังไงเพราะศรัทธาในฮินดูมันก็แบบอย่างเนี่ยไปแก้ผ้าไว้น้ำกันแถวกุลาสีขูดนี่นังถือพลังศรัทธาด้ยิ่งใหญ่ถามว่าศาสนาอื่นเขาอยอมรึเปล่าคือมันทำให้ยุ่งอ่ะตัวเองเป็นสามัญชนมีครอบครัวมีลูกมีเมียอยู่เนี่ย ศีลห้ายษาได้หรอือเปล่าแล้วเป็นหลนรวงคำสอนระดับาศาสดานะคาสอนระดับาศาสดานะฮะไม่ใช่สามัญชนนะาศาสนิกที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาต้องภาคภูมิในาศาสดาของเขาเขาต้องเชื่อมมั่นในตัวคำพีตัวคำสอนของาศาสดาที่มีการสื่อต่อกันมาเนี่ย พระราจะมองถึงการอย่าอุปถัมภ์คุ้มครองมัสยิดศาสนาอะไรตามความในมาตราที่เจ็สิบสามเนี่ยที่นรมาเคยตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่เห็นล่างแล้วนะฮะบอกว่าผู้คุณนสร้างปัญหาแก่ศาสนาแต่ว่าสสาวไปหลายคนนะบอกคุณสร้างปัญหาแก่ศาสนาถ้ามาตราที่สามสิบแปดถมาตราที่เจ็สิบสามเนี่ยสร้างปาัญหานี้ก็เริ่มสร้างปนานะัญหาแล้วเพราะไซมนาตามความในมาตราที่เจ็สิบสาม รับต้องให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศ า, าสนาและศ า, าสนาอื่นๆเห็นไหมยกศ า, าสนาทุกศ า, าสนามาอยู่ในระดับเดียวกันตงทั้งที่ศาสนาพุทธมีศ า, าสนิกถึงเก้สาสิบเปอร์เ็์ศาสนาอื่นอย่างมากก็ประมาณสามเปอร์เซ็นตี่ยเราก็ถักทีเท่ากันได้รับการคุ้มครองอุปถัมภ์เหมือนกัน บางครั้งที่ประชาเสียภาษีมากกว่าไม่รู้จั ก, กี่เท่านะฮะคือไ่รู้จะกำลังทำอะไรกันแล้วก็ในแง่ของตัวตัวอย่างรูปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวคำสอนเพราะว่าถ้าจากในหลักสูตรก็คือคงล้อมรวมตัวคำสอนนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ได้รายละเอียดเขาอาจจะเข้าคิดว่าเขาคิดชอบนะฮะ แต่เรื่องศาสนาอย่าไปแต่ต้องอย่าไปคิดจะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดขนาดต่างศาสนาอย่าคิดแม้แต่ศาสนาเดียวกันถ้าเราคิดจะหลอมรวมหรือคิดจะยุบศาสนาทัวเช่นวันนี้กายเทรวัตกับมหายานเนี่ยออกกฎหมายขึ้นมาบังคับให้รวมกันมันจะแตกเป็นสามมันจะแตกเป็นเทรวัตกับมหายาที่ยอมรวมกัน เลยจากจะเป็นหมหายานที่ยังไม่ยอมรวมแล้วก็เทระว่าที่ไม่ยอมรวมแต่ถ้าคุณยุบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นห้าเพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราที่สามสิบแปดนะ่ะในเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ตกลงมารัฐธรรมนูญสองฉบับแต่มันขบกันเองสองมาตรามันขบกันเองแล้วในวงการศึกษา ก็ผิดชอบจฉพาวงการศึกษาไปเรื่องศาสนาโดยยฉพะศาสนธรรมเนี่ยมันต้องผ่านการปฏิบัติมันต้องเจอเริญศีลสมาธิปัญญาและเห็นที่จิตตัวเองแล้วจะเกิดความเข้าใจมันจะพูดเรืยปฏิรูปอย่างนั้นปฏิรูปอย่างนี้ปฏิรูปอย่างนั้นแล้วคดท้ายเนี่ยมันจะสร้างความแตกแยกกันในบ้านในเมือง ก็าอาจจะมองว่า น, นี่คือเสรีภาพทางวิชาการแต่นี่คือการริดรอนสิทธิในการนับถือศาสนาของคนศาสนานี้เขนําพากันมานานแล้วมันไม่ต้องอาศัยพวกสภาการศาึกษาพวกกระทรวงศึกษาธิการหรอกคือจะสนับสนุนส่งเสริมอะไรก็ว่ากันไปนเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้เบญญาพันธ์นานาชนิดนก็ปลูกไปแต่เราต้นมันจะเรียนตามสถานะของมัน จะปลูกมากมะพราะ้าวจะปลูกมะขามมะม่วงอะไรก็ได้ก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่เอาผลไม้เหล่านั้นมาหลอมรวมกันต้นไม้เหล่านั้นมาหลอมรวมกันคํ า, า, าออสอนที่คนเขาไม่ศรัท ธ, ธาเนี่ยเขาไม่นํามาปฏิบัติต้องจับประเด็นตรงนี้ได้เลยเขาไม่ศรัท ธ, ธาเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเขาไม่นํามาปฏิบัติแต่การนํามาปฏิบัติอย่าลืมว่ามันต้องไปยึดโยงกัศาสด า, ศ า, ศาแลบที่มาของาศาสนธรรม แล้วก็พิสูจน์ตัวเองโดยศาสนาบุคคลคือให้แต่ละคนดีในศาสนาตัวเองนะไม่มีปัญหาหรอกพอเป็นคนแล้วเนี่ยไปอยู่ในคนแล้วน่คนเขาจะเปน็นอันใดอย่างเดียวกันได้แต่คุณจะไปบังคับเอาเอาคําสอนมายำรวมกันเนี่ยมันทําไม่ได้โดยลักษณะที่จริงค่อนข้างฟุ้งซ่านเนี่ยทำไปยังไม่เห็นเนะื้อหาสาระจะดูโครงสร้างต่างๆที่เขายกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นาศาสนาพุทธที่ถูกทํำลายแน่นอนมีความชัดเจนนะว่าองค์กรพุทธเกี่ยวกัําำลายแน่นอนโดยเฉพาะกรรมการในนี่ยกรรมการการศึกษ า, า, าศาสนาศิละปะตามธรรมก็เนี่ยนั้นเป็นกรรมการใหญ่แล้วคนอื่นเนี่ยอยู่ภายใต้กรรมการเหล่านี้ซึ่งกรรมการเหล่านี้ก็คือมีตัวแทนในาศาสนาต่างๆ กี่คนยังเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะเขาว่าสามสิบกว่าคนตอนนี้รายละเอียดยังไม่ออกมาแต่ว่ามาควบคุมบังคับบัญช า, าศาสนิกสังกราชต้องอยู่ใต้อำนาจกองคนหล่อนี้เพราะกรรมการมหาเทมาคมนั้นสมเด็จระสังกราชเป็นเป็นประธานกรรมการมหาเทมาคมสมมติมหาเทมาคมนั้นก็เป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่งที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคนหล่อนี้ วัอนอย่างที่พวกลู้สิษย์กรรมกายก็บอกเอาคาราวาสมาปกค ร, ร, รองพระนะตอนนี้ชัดเจนเนี่ยนะที่ชัดเจนมากจริงๆแล้วก็ลองดูว่าเรื่องนี้จะนําไปสู่ความขัดแย้งเพราะว่าคนไม่ปกติมันเยอะคือเรื่องเขาอยู่กันมาเรียบร้อยแล้วไปทําให้มันยุ่งเนี่ยแล้วนณุฉบับนี้จะสร้างปัญหาแก่ศาสนาเยอะสองมาตราต่นนั้นเด็กก็คอยดูกันแล้วกัน จะสร้างปัญหาอย่างได้ยากเลยนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นสมาธิแต่โดยหลักการาศาสนาแล้วไม่ถูกต้องเพราะศาสาศนานนั้นเป็นเรื่องรับเนตรละใหม่แล้วอย่าลืมเรื่องศรัทธากับปัญญ า, าศาสนาคุ้ดเน้นทั้งสองอย่างแต่ให้ความต้องการแก่ปัญญามากาศาสนาเทวนิยมทั้งหมดนเนี่ยเขาเน้นที่ศรัทธา าการกระทบกระเทือนเกิดวิกฤติศรัทธาเกิดวิกฤตปัญญาแล้ยุ่งทั้งนั้นทั้งส อ, งอย่างนั่นแหละโลกมันยุ่งมาเรื่องนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันจะเพิ่มความยุ่งยากอะไรขึ้นมาอีกแน่แหนาเรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ว่าร อ, รองรองดูเอกสารที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งทุกฝั่งจะอะไ แต่โลกประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้ดยเวลาหนึ่งเร่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยท่วกันสวัสดี